เรื่องภิกษุมีพันธะมากพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้มีพันธะมากได้ยินว่ากุดุมพีชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งภริยาทมกาละคือตายแล้วจักบวชเมื่อเขาจักบวชได้ตระเตรียมเครื่องใช้ให้สร้างเรือนไฟ ห้องเก็บพันธะเพื่อตนเต็มด้วยวัตถุทั้งหลายมีเนยใสน้ำมันเป็นต้นแล้วจึงบวชเมื่อบวชแล้วเรียกคาทาของตนมาหุงต้มอาหารตามใจชอบและบริโภคได้เป็นผู้มีพันธะมากบริขารมากผ้านุ่งห่มมากทั้งกลางวันกลางคืนอยู่วิหารหลังสุดท้ายวันหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ จึงถูกภิกษุทั้งหลายติดเตือนว่าพระศัสดาทรงอนุญาต้าจีวรสามผืนเท่านั้นทำไมจึงมีบริคารมากอย่างนี้ดังนี้แล้วนำไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามภิกษุก็เหตุไรเธอเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ปรัชนาน้อยจึงกลับมาพันธะมากอย่างนี้เล่าภิกษุนั้นโกรธแล้วคิดว่าบัดนี้เราจะเที่ยวไป โดยทํานองนี้ดังนี้แล้วก็เปลื้องผ้าห่มออกยืนอยู่ท่ามกลางบริษัทพระศาสดาทรงตรัสว่าภิกษุในการก่อนเธอสแสวงหาหิริและโอตตะปักแม้ในการเป็นยักษ์รากโศกก็สแสวงหาหิริและโอตตะปะอยู่ถึงส2องปีบัดนี้เปลื้องผ้าห่มยืนอยู่เพราะเหตุไรภิกษุนั้นได้ฟังพระดำรัสแล้วกลับตั้งหิริและโอตตปะขึ้น ได้ห่มจีวร น, นั้นแล้วถวายบังคมพระสัสดาพระสัสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าว่าในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิเป็นโอรสเจ้ากรุงพารณสีชื่อมหิสาส ก, กุมารมีพระกนิธภาดาคือน้องชื่อจันทกุมารต่อมาพระมาดาสิ้นพระชน พระราชบิดาทรงสถาปนาสตรีอื่นไว้ในตำแหน่งอ克拉มเฮสีพระนางประสูติราชโอรสนามว่าสุริยากูมารพระราชาให้พรและมอบราชสมบัติให้พระบิดาจึงสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองไปอยู่ในป่าค่อยกลับมารับราชสมบัติในการที่พ่อล่วงไปแล้วสุริยากูมารเล่นอยู่เห็นพระราชกุมารทั้งสอง เดินออกจากพระราชวังทราบเหตุนั้นแล้วจึงออกไปกับพระราชกุมารทั้งสองในการที่พระราชกุมารทั้งหลายสู่หิมวันตะประเทศพระโพธิสัตว์นั่งที่โคนไม้ตรัสให้สุริยะกุมารไปอาบน้ำที่สระและนำน้ำมาให้พี่ทั้งสองดื่มถูกรากุกแห่งสำนักเท้าเวสุวรรณซึ่งได้รับพรจากเท้าเวสุวรรณว่าสามารถจับชนเคี้ยวกินได้ เว้นแต่ชนที่รู้เทวธรรมสุริยากุมานไม่ทันพิจารณาลงไปในสะถูรกรากศกจับตัวครั้นถูกถามถึงเทวธรรมก็ตอบว่าเทวธรรมคือพระจันทร์และพระอาทิตย์จึงถูกฉุดลงไปในน้ำพักไว้ในพบของยาก์นั้นจันทกุมารไปตามหาถูกรากศกถามถึงเทวธรรมตอบว่าคือทิศสีชื่อว่าเทวธรรม จึงถูกรากศกจับไปอีกพระโพธิสัตว์ออกตามเห็นรอยเท้าแห่งกุมาทั้งสองแล้วก็ทราบว่าสระนี้มีรากศกรักษาจึงระวังพระองค์อยู่รากศกจำแรงเพศเป็นชายชาวป่ามาปราศัยและชักชวนให้อาบน้ำในสระก็รู้ว่าผู้นี้เป็นยักษ์จึงถามหาน้องทั้งสองก็รู้ว่ายักษ์จับตัวไปพระโพธิสัตว์ขอตอบปัญหาของยักษ์ ตอบว่าเทวธรรมคือฮิริและโอตตปะคือความละอายเกรงกลัวบาปยักษ์เลื่อมใส ย, ยอมปล่อยพระกุมารทั้งสองลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ต ร, ตรัสพันน า, นาถึงโทษของความเป็นยักษ์และให้ยักษ์นั้นดำรงอยู่ในศีลห้าและอยู่กับยักษ์อย่างปลอดภัยครั้นพระราชบิดาสวรรคตแล้วจึงพายักษ์กลับกรุงพาราณสีครอบครองราชสมบัติ พระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารสร้างรามณียสถานแก่ยักษ์และส่งทําให้ยักษ์ถึงความเป็นเลิศด้วยลาบรากศกในการนั้นเป็นภิกษุผู้มีพันธะมากสุริยกุมารเป็นพระอานนท์จันทกุมารเป็นพระสารีบุตรมหิษานักุมารโพธิสัตว์ ได้เป็นเราตถาคตนี่เองทรงตรัสว่าภิกษุเธอสแสวงหาเทวธรรมในการก่อนถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตะเที่ยวไปบัดนี้เธออยู่โดยทำนองนี้ไม่สมควรแล้วเพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณนะด้วยเหตุสักว่าห่มผ้าษาด ก, ก็หาไม่ได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระกาถาว่า การประพฤติเป็นคนเปลื่อยก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การกล่าวชดาก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกตมก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีก็ดีความเพียรด้วยการนั่งกระโยงก็ดีหาทำสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติพลเป็นต้นดังนี้แหละข้อควรคิดสำหรับเรื่องนี้ว่าการไม่กินข้าวหรือแมแตรการงดเว้นอาหารบางอย่างที่ไม่ได้ทรงห้ามเช่นปลาและเนื้อไม่ทำให้สัตว์ผู้นั้นบริสุทธิ์กล่าวคือกิเลสอาสวะไม่ลดน่าจะรวมไปถึงการอดนอน ถ้าเตือนอยู่สบายก็อีกเรื่องหนึ่งหรือแม้แต่การเพียนน้อมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้จะเอาจะมีหรือปฏิบัติเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเพราะการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะละและปล่อยวางว่างๆเช่นนั้นเองจึงฝากไว้เป็นข้อคิดธรรมะนั้นว่างๆเช่นนั้นเองสบายสบาย หมายเหตุผู้อ่านสำหรับการปฏิบัติธรรมนั้นทางสายกลางของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับต้องดูด้วยว่าแบบไหนสัพ ป, ปายะคือดีต่อการปฏิบัติของคนคนนั้นบางคนอดข้าวและปฏิบัติดีบางคนต้องกินอิ่มบางคนนอนน้อยและปฏิบัติดีบางคนนอนไม่พอและปฏิบัติไม่ได้สําคัญที่สุดคือต้องหมั่นสังเกตตัวเองว่าทําอะไร แล้วกุศลเจริญอกุศลไม่เจริญนะครับ